ตาไม่มีอันนี้ทรงมันได้หลายอย่างเลเป็นอยังไม่ดีโทษแต่สิ่งที่มันดีมันก็ดีมีโทษ ด, ด้วยเสียงขนาดลองไปด่าไปว่าเขาดูมันเกิดทะาล้อ ก, กันขึ้นรถว่าไปว่ามากกวามน้วยกัน สนี่ามำนั่าไร่นี่สำคัญต น, นจะไงปิดปากปิดคำพูดคำพูดนี่ยมันเป็นดาบเป็นหอกทำงัดสีสํารามาทำหลักหลับแทง้งอุจจะดาบหอบมือบางคนก็นกเชื่อ ที่สร้างเสียงอสานโมหูกันนี่ตั้งฟังไปติ๊กติ๊กติ๊กตนี่เนยังบูรตเลยไปยตังนี่คนอยู่ปังเนี่ยฟังว่าติ๊กกหมกโคตเด็นี่เขาจะรูนี่แหละ อ๋อเรื่องภาคนั่ภาคนี้เชียงอีสานภาคเห้ือภาคกลางเพื่อภาคอีสานก็ปพูดปเป็นอะเรงมเอาเป็ดกับกไก่มัเปียกเทียบเอากากนกมเัเีทียบเชียงมันจ บ, บ่เนมันนี่นะหูห ม, หมาแวชัดชีเศา มันก็ บ, บอกขึ้นที่มีนเ น, เนวอาอยู่ที่คือเธอไม่จอ <c oughs> เ อ, อิญพุ่มลงมาพุ่งที่เลยนั่นเป็นของคู่กันทีก่อนที่เทศก็เ อ, อินพุ่มก่อนที่ที่มทำไปเ ท, ท่กือ สักเฮก้าแม่มากอีก้กาวทุ่มนมเทวดาพนะบอกก้าวกับอะไรตีฮะมันเป็นคู่กันตีคู่ไปคูมันลงมากตีเนาะคููุ่้ง้ายกับคู่ปุ้งยิ่งก็เป็นคู่กันจัดมันเป็นคู่ไยคูมั่นมาแต่ทเลี้ยงมึงบอก คนณห้าวบัดจัดเป็นสามเลี่ยงบบจัดเป็นสองมันเป็นจัดเป็นสามสามนิ่งดีเลยเนาะดีว่าสามโบล่ามลก่อนเจ้าสามก้อนเอามามะาตั้งจังอยู่ เท่าสมมติเนี่ยแหละบางคนกิดที่บองบอก้อนเสาที่น่โอ้โก้อนเสาขันแม่เปรียบเทียบโลกโลกมนุษย์ของเ ข, งขาคือศาสาตร์ศาสนาพระมหา菩萨ศิษยาสามก็เลียงแต่เจรณาคมก็เลียงแต่เจรณาคมเป็นตรายสา น, น, ยนี่นี่แหละ เพื่นพ่าเหตุภาธรรมมาตั้งแต่มวลมนต์พรหมปูสังไสาญาสังไรสีคุนเดชสุมทาเนี่ยมาหนี่มารีกับมีสามเลยมีสามลิงพอออกไปโยมหน่อยเป็นครับมาอยู่เนี่ย จัดมาเป็นสามลิงเ่ยคนอปุ่งลิงอีทิลิงนัปุ่งสกกลิงย่นหันได้ที่หงจ่าดยเท่สามลิงอคุบอปุ่งลิงดำไมรับ แม่มารีเพชรไสอทติลิงเป็นเพชหญิงณปุงสกกงสกุลินมองเห็นผู้หญิงมองไม่ทุสนะัยหรอไงย่างคื้ไปแล้ว ที่เรียกว่ากระเทยสินั่นเว่าบันโดกันน้อนี่ในบาลีคือคือกระเท ย, ยนั่นแหละณปุงสักอรินนั่นละ่ะมันมีสามลิน้นน้ำก็มีสามน้ำเป็นคู่ไข่คู่มันมีน้ำทุม น, นีก็ได้น้ำก็คือสื่อ มันมีน้ำแล้วน้ำพุดออกมาเป็นลูกโพกขึ้นมากมีน้ำเลดจังใดว่ามีน้ ำ, น ม, นำมันต่า้าคืนรลดไหมเมื่อหานิ่งนะคือมีน้ำแต่ละนิ่ง่ละนิ่ง มันมีน้ำว่าจังไรใน ม, รไไรรมือหานี่ไงไล่ไรได้เคยไรได้เหมืนอนร่นไ่นั่นแ่ะจังเกตต็บบังเลี่ยมันก็เป็นธรรมะอยู่เดินให้ตัวเรามีรูร้เราก็ต้องมีน้ำรวมยัยก็ต้องมีน้ำ เรียกอย่างมาหาภูตลูกคือรูกใหญ่อุปทจะลูกคือรูกมาอาศัยบัด น, นี้อย่งางไรลูกมาอาศัยมีขาไม่แขนมาอาศัยมาหาภูตลูกนี่มันติดมันต่อกันอะไร สุนภาารจริงแล้วนั่นเป็นมหาโตัวลูกคือตัวนี้อุปธายลูปคือจุ น, นี้ตั้งเขตนมเนอร์ไม่ต้องมีน้ำเหมือนเดิมอันมองมึงเห็นลูปนั้นรูกนี้ือปัญรตา เห็นขออ้อมือทั้งตานี่บาชิวหาหน้ามาใส่ให้นมัดเลยนั่นแ่ะรูปกับน้ามันกลี้ยไปสำคัญคือบาปกระบุนเลยเป็นคู่กันไปไม่มีคู่มัดผมคู่อัน หูเนี่ยมันเกิดเป็นคู่กับเสียงดังคือจมูกมันก็เป็นคู่กับจีนเล่นก็เป็นคู่กับรสมันนั่นแ่ะตามเกณฑมันก็เป็นธรรมะคือเขารสยังไงรสสุกรสหวานรส เทตเข้มอามาทธามาถูน้ำมุนีมือมือน้ำแขนงโมูหสึกไปปิดปลายลิ้นนิดเดียวรู้สึกเลยนั่นแหละเพิ่นจันไดไว้เป็นกู่ไปหูมั่นเลือกพระพุทธเจ้าลดสำลําลี้น กะไมีโทษคือกันมันนะี่ทึงคุณนไม่ถึงโทษจะหมกูกคือดังเม็นหอมคิวสาบุยอย่างเข่าหันอันนี้ก็ไม่ถึงโทษไม่ถึงคุณนทรงของมาศรับมากเข่ามารับเข่ามา ท่านกินเมน้นเอาไปเทมขางคนแดนคำแผลงแแพงของตัวเองไปสไหวของปู่ปเอิญู้อื่นมากก็เหม็นมาเลยบานไกลเคี่ยงกันโจธาเอาไปว่ามาด่าว่ากันเท่านั้นแหทะี่ไกลตายแม่าตายมันก็เลยเป็นโทษหย่อน น่องจมูกส um, um ูดกินเข้าไปจุดหาว่าพระโอษฐเป็นไอ้อรุ่งกันไรเลยได้ตบตีกันรับมีนั่นแหะโทษจมทำจมูก ออกมาทางปากอืดาฮะวันไายกันเพื่อจะไ้สำรวมรักษากายกันกนะ็กนนละมันของนี้น้อยไปหยิบออกของบืนทะเลาะ ก, กันทันทีเลยนะะนไง คนนี้จะให้รักษารักษาสินสาาาส้นสาม็จะเราไปแล่าสิน้นสามมุสเยเพให้รักษากายรักษาว่าจาม่วยไปรหลักเล็กหน่อยคนม้วยหน่อยของผู้อื่นงัดแ ง, งมูสาผุ้โกหกตลกในห้า ทั้งวาจาใจมันอารมต่างๆโลกถองต้องกินต่างๆหอมาทั้งตาทั้งหูทั้งเก้มุกทั้งกายก็ทรงร้งใจเพือนน่อจะหม่รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อวศิล นันะชินหาก็ออกจากชินสามชินแปดก็ออกจากชินสามชินสิบชินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ออกจากชินสามชินสามมันออกจากปากพระโอษของพระพุทธเจ้าพระโอษคือคื อ, ค อ, คอปาก คือเราไปเมื่อเช้านี่แหละภาหัดก็คือเมื่อส้าบ่ากคือเท้านี่พะกนงคือขาพาเกษาคก็คือผมนี่พาโลมากคือขนพระทนโกทัพพาทนคือแขี่วคือฟัน พระตาลุคือเพดานเพดานปาพระคิวหางคือเล่นพระอดคือปากคือเสียงไม่เสียงไม่ปากพระขนะนคือจมูกน่ะพระิวงาก็คือเ ล, ออล่น อันนี้ไม่จะพระแเป็นคู่ไปคู่มันมันนแต่ละพระนี่มีสีมีน้ำหมดทุดลงังจังว่าลูกกับน้ำมันบ่าห่างกันไกลกันเมื่อไรนี่ลูกโพขุนมาตงมีน้ำนั่งอยู่นี่ลวนแล้วแต่ มีซื้อนีน้ำเออันใจกันแดดกันเหลี่ยมอยู่เลาะตากันมีน้ำว่าแวนตาหรือกระจกตาอ่ า, าเป็นคู่ภัยคู่มั่นมาเหมดเลย รูกความน้ำมันก็จงไปน้ำกันนะมีรูปมีน้ำน้ำก็คือสื่อพ้นจัดไว้สื่อเลยพระพุทธเจ้าจัดไว้เมื่อแล้วศีลศีลนาก็จัดไว้ถ้ำทีขอ ภาธีพ้าคันมูกันเมืทํารี่อย่างธรรมอุธนุนจุนเจียโรกให้ได้ยุยเย็นเป็นสุขมากคือธรรมซื้อว่าจะไหนซื้อว่าหีลิอุธภาอุธนุนจุนเจมากขับโลก ที่หอมได้อยู่มานนี่ก็ทำสองอย่างเลยทำฮีลิอุตตะปามีลิคมละอายแก้ใจอุตตะปะความเก่งกวัวตัวบาทุทุิริสสมัยนี้มันก็เลืออถิมไปท่านสองหองนี่บอกัดบอก้ากันถือ อีกข้อหนึ่งกิจการงานถูดเลี้ยตทองบนสาทรยายเองอย่างได้เป็นนอกเตอร์ปริญญาตรีทท่วเองก็คืออิทธิบาทสีนี่นะ้าที่ตาแหน่งมยุจฉาบรรดาศักดิ์ก็เป็นผู้มีอิทธิบาทสี อันนี้พื้นเก่าไหว้ลยพระพุทธเจ้าทันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่เอาใจสไปในทิ้งนั่นเพี้ยนนัทิ้งนั้นมันก็เลยสำเร็จเลี่ยนจบพยกนันพยบหนี่ข้นพระนี่มันก็มีอิทธิบาท ท่ามันท่ไม่ง่าสองอย่างมันไงคือสันติอดทนเขยันนี่และคำอดทนไม่พอโตพอโตตอบคนอื่นว่ามาผดมา ก, กนออันไงเฉืเฉยเฉยเอดกันไง เรียกว่าคันติคมอดทนพันมีความอดทนเหรอสุรจามันก็เกิดกิริยามารยาทนิ่มนอนอ่อนโยนไปม า, าสู้กันอ่นนอนน้อมทาตนอันนี้คันติสุรจานี่แหละคู่หนึง่งเป็นหัวหน้ารอบข้อก็ดีปไเนอันที่สี่ ข้อีหัวหน้าครอบขัวบอกหัวหน้ากุมหัวห น, น้าศุลนนั่นเรียกว่าท่านเป็นเครองอยู่ของท่านผู้ใหญ่ท่านเป็นผูญญ้ใหญ่เป็นหัวหน้าครอบขั้วหรอกนี่ท่านขอนี่เลยยัง่งตัวเดียกว่าพมีหารสี เมตตากรุนาโมติตาอุเบกขาขันโมมีท่มหัวนี่เป็นผู้ใหญ่บอร์ไรเท่าใจาซึมซื่อๆนี่แหละจัดเป็นผู้ใหญ่บอร์ไรเป็นหัวหน้าครอบคล้งหรือหัวหน้าโม่ต้องให้ได้ซ้ำตัวนี้ผู้มีอานซี ไม่ตากรุณามำมิตาอุดเบิกอาหารมันอยู่นัมมันจำเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นหัวหน้าคอข้อได้เป็นหัวหน้ามือกลุ่มต่างๆให้มองที่ท่าขอนี่ละแต่ อันนี้คุณเกา้าอาจารย์สอนดีพระพุทธเจ้าเราก็เดินตาม ร, อร่ อ, องไร้คาสอนมันนี่ยม้คนบิดเบี้ยนเอียงตายเอียงกลัวไปหลายรอบเลยคกอบ่มีขาอหมายมันทำหน้ท น, นที่กิงมันก็นยงังสักดิ์ส์อยู่กับเขาเพื่นเกิดอยให้ พุทธบริษัทสีรักษารักษาศีลรักษาธรรมรักษาพระพุทธศาสนาเรามีลูกเปสอนลูกสอนล้านไปลูกลานสุเมืนีมันก็เลยบอกบอกใครตั้ง แต่ยืนอยู่หักบวกพังท่านแต่ยืนอยู่จับออารังอันนั้นบ้านเมืองเราไปที่บริเลียเลียนร่อนยุ่งยืมบานนี้ตุวเมือเนี่ยมันโบเหนแต่ละมือแต่ละวันมันก็ต้องขาไม่ขาไม่ตาย ทมเจ็บไข่ใส่ปวยบวก่ากะเจ็บกระชายอันนี้เราก็ไม่พิจารณาเอาถิ่นเอาถ้ำนี่ก็บริแทบบวกกันได้ละแต่หาฝืนเอาฝืนรักษากันบ่แย่งทิ่งมันไปมันบ่ได้บ่ได้เหตุบ่ได้ทั้ คนก็นยิ่งยากน้ำธุระในครบบว่ากับบัานนั่นบ้าน น, นนี้อยู่นัะเอาไปมากก็เลยตายไปซี่ี่มันตายไปแล้วมันยังอาพาพยานแล้วมามีสินมีธรรมมีฟังเศษครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังแล้วก็ต้องจับเอาเป็นบางสิ่งบางอย่าง พวกพิที่ินแชงจะวา่างเดินการเดินทา ง, งอภไปเมื่อเรานี่คือไม่เสะาสสสะทางสงสิ น, น, งงงนั่นง้มื่อียคือไาะทางทางคือทื่อถนนนั่นและง้อก็ง้อไปตามนั่นแหละเสทางแล้วเราที่ตัดินใจเดินเสถนใดสน เดินเส้นขาวหรือที่เดินเส้นดำเส้นดำนี่คือบาปเส้นขาวนี่คือบุญเส้นดำนี่คือไปนรกเส้นขาวนี่คือไปสวรรค์เราจะไปสวรรค์หรืออยากไปนรกมันก็อยู่กับความตัดสินใจรับ ตัวนี้อันนี้เราก็ต้องนั่งภาวนาไปเจรณ า, าคุณควัวทัวท่อนเราที่ไปทําไหนดีที่ภาพดีดามั่นดาไปทัางไหนส่วนมีดามั่นดาจู้ใสก็อยู่กับพวกเราเอนค่ะ ทุกสิ <S <s ่งย hmm. ุกยังขั้นพ่อกับแม่โบจะแบงปันไม่หมดได้เห็นลูกนี่พวกเราผมทีนึงคือพ่ออ่ยมากนางห้องเนื้อเอ็นดูกกันแม่นพ่ออ่ยมากน้ำเยอะนึงเยอะในกาย ดีสเลนหนองเดือนก็แมนแม่หายมากมันนะหายมาครบแล้วอาโปธาตุภัทวีทา น, ธธรานเราก็ต้องควนถุนควนผ้าบ่อพันแม่ไปดังดีๆขันบวด พ่อกับแม่พรกระบวดนั่งไปหาค่าหารักพ่อกับแม่ก็ไปนั่งฝากขังในคุกในเรือนล่างพอกับแม่ก็เข้าไปอันนี้พวกเราได้ยินในสังเหรอก็ที่ภาพพอพแม่ไปอยู่ะไปในลก มวลดีเลือเนาะพนรกมวลบ่มแจแล้วเ่าได้ไปสักเที่อวไม่เว่าสามันเหตุไงทำไ ง, งาเหตุไปทั้งบาปเหตุไปทั้งบุญมันยังยากเลยเหตุวิสาประสสปอตบุือ กบหาร น, น, นะทา ม, มีาทราบอัะปวดไปสวรรค์ก็ต้องมีศินมีทรามีภาวนากายสุจจริตมโนสุจจริตวายีสุจจริตสามยางไี่ก็เป็นศินลแล้วมันเดินผ้านได้มัน นั่นล่ะวีสาพระเสริฐไปสวรรค์มันต้องไปมั้ขันโบเหต์มิจะอยากโมทามมิจะอยากไปทิทฐิมานาโลกกดงลงโบเดละโบได้ว่างมันก็ไปบุไุษ ไปเมันปึกมันหนาอยู่มันหมือนมันดำอยู่ขนาดนั่นล่ะมันเป็นธาตุแห่งกิเลสทันหากิเลสเป็นเห็นในไข่กิเลสเป็นเห็นในทัง้งคามภัยละ่ะลูกกิเลส ไยละคำจัดทีเล็ก็พราะต้องใจละเป็นพุทธังใจเป็นหน้าายเป็นเบาไปมึงไปเอานันมากไม่นะเห็ุทังท้งสั้นทาทังสี่เขาจางนี้ตัวโลกนะจังพลนังให้นางภาวนาพยายาม ละโลกละโกดละห ล, ล, ลงละค่มัวท่ำค่มดีท่ำไปท่ำไปมันที่หมดค่อนหมดไปขันปูท่ำทะเลยนี่มืดซอมบงคิดใจใครต้มบินมวยน้อยละ่ะบางน้อยนี่ที่มองไม่เห็นกระเด็น บางน้วยที่มองเห็นแคดแดอันนั้นเป็นผู้บางสคร่งหนึ่งคันมองไม่เห็นเป็นผู้หนาเมดืดอทึบอาวิชามองปกอุ้มหมมอม อ, อยู่ขบม่นม่นอนประการเรียกว่าอาิชารูปะโทสะโมหะมีทุกคน แต่แบบมมากน้อยน่อยหลายกันตอนนั้นละ่ะพูมินอกก็ต้องตั้งใจทันที่ไปเดินทางไปสินขาวตั้งใจเอาสินล้วทันมาเอาภาวนาตั้งใจละรวบละกุลละลมมูชจัด กันหมือยูิลเล่ต์เลดีสัว่วหูยักนานกสวรรค์กับมูจักษลากเงาของกุศลและอกุศลกรลูกย่ใส่หรอยูย่นามีดดาบมาดาระมีอยู่ น, ำ, าาา น, นำลุงปูลุงตากระมีกุศลและอกุศลอย่อดา บวามดีกับบิาดามรดากับคูบาอาจารย์พระราเป็นบาปเป็นกรรมนั่นแหละเป็นอกุศลอยู่หันำทำคนดีนีต่อบิาดามรดากับคูบาอาจารย์เป็นบุญเป็นกุศลมาน่มันก็เลยเป็นของกูกันเดอ้อคือคมเกิดนั่นแหะ เกิดล้วก็ต้องมีแก่มาเป็นครูเจ็บก็ตายนี่เกิดเป็นครู่หมด น, นี่เป็นครูไปคููมันอยู่นล่เราอ่าก็อ่ใจกันกเกิดแก่ติดเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งทีนั่นและต้นสอนในเสียรำมันนี่พระพุทธเจ้า แม่นไปยุไสก็พึ่งกระสจนให้เกียกรรมครัคคบบ่มาหอดมาถึงแล้วกระโบเป็นยังเป็นตะตายหรับโบตายแน่นกระจนในกียกรรมดีๆอยู่ก็ตายวันนี้อนาคตเป็นกรรมนึงพวดรา้าวตอง เปลียนตัวไว้นั่งอยู่นี่ไปบวรอดจะคุ้นผู้ว่าอยู่นี่ก็ไปบวรอดเป็นเจ้าสาหรือเลียกก่อนขันทนอนเป็นคุณหญิงคุณนายก็ว่าที่รอดบวรอดเดอ้อเย้าไปมั่นใจประนันไอ <c oughs> ้มันใจนั่นเลนาทีตำแหน่งบ้าเราบ้าตายวะนะ โมเมต็เ้นไปได้ขึ้นันจังสอนให้เสียกรรมปรพุติเจ้าเรียความพัดปากยากของรักของจเจริญใจทันสิ้นไปอันนี้ก็ภาคอันวาอยู่อยู่ในวัดวาทุกเศร้า อ, อยู่แรง อันนี้ก็เอามาเป็นขอคิดขอพิจารณาตในบริกรรมบาบุญบาภัยลืมย่นลืมสาระธรรมมมีสัลังอันนี้ติโทักระฟังเรามีความแก่เป็นธรรมดา โบลุงล่งพ่นคบแก่คบเหยียไปไลยแล้วพันภากันตรวจกันว่ายุอาเ น, นกอมมาพิจรารณาไล่ไปไล่ไปมันเก็เกิดปัญญาขึ้นมารู้จักทุกส่วนทุขของมนุษยลนะ ตัวหอารมณ์ต่างๆอารมณ์เกลียดการอารมณ์ซั่งมันก็ทรงขมาทงตาทั้งหูทงจมูกทั้งปากทั้งกายทรงขมาแล้วเพื่ลูกมันเลมันใจเราจะจัด ตัดถึงใจแบนแย่อารมณ์ดีก็เก็บไวปอารมณ์ร้ายปล่อยมันไปปล่อยวางมันไปเนี้ยไปหมังยนูนจ้องคำจ้องเวน้นอาคาศบานหมางเมื่อโปรป็นนะ่ะ ผมมีสิสิทธิ์สุดคุณยันทัดพระอธิโจยไว้เล่นแต่ะงับได้เพราะไม่จองเว้นมันไปจองับจองเว้นหมังอยู่ผูกโกรธไรในใจเออบ่มันเป็นแล้วนะคอณก็บอกทิศทางถูกต้องเลยพระบูติเจ้า ก้าเอากิเลสเอาตนามากจูงจมูกไปแล้วมันเอาไปมากเลยเลยขึ้นมากมินประมาททางศาสนาคือกมีนนั่นแ่ะมันเป็นบาปบุญบาปเกิดขึ้นได้จากข้าง ามตัวเองรู้พันมูถามท่านก็ได้เท่านายนยา น, ายนั่งเงจะท้าบุญบาปอำไมมูพันโดยเท่านัน ให้จัวใจทั้งไปทั้งมาทั้งมันจะเกิดทั้งมันจะดับจะดับได้เป็นภูมิสตินี่สัมปชัญญะนี่มอนคิดไม่ปัญญามันยังดับมันไหนท่อกันบุญกับบาปเกิดสามทางขึ้น ท, ทั้งเลยเลยนะเร า, <Huh? S 2> า, า, าบุญรูอ่ะบรญก็ตามทางกันเอาใจสักไฟไปทั้งหลายๆเลยไปทั้งนั้นละคนคอนเทนร่วมหายใจได้สักไฟไปทั้ง บาปไปทั้งบาปมะออก่อนพอจิตไปยึดมาถือมันนู่นนี่เรียกว่าอุปทานไปยึดถือมันยนู่นตาไปแล้วเกิดไปขอไปของอยา่างนั้นละมันเรียกว่า ทำพาวิสีสาแวงหาที่อยู่ที่อาศัยเห็นบ้านช่องห้ององอของลูกกับไปยุ่งมัน้วมันน่ะตีบรเป็นลูกของลูกอีกเลยออกจากบวงเ่งกลัมนีบุไดมันน่ะเลยไปของอย่างนั้น บม่ต้องหวังดอกพ่อยแม่ว้ยงบังหวังกระทีเสวมโอ้ลูกพูนันยูหันอยู่นี่ไปวิญญาณกับจิตคู่กันเนียมเทียมกันเลยมันก็เน่ากับลูก มไม่รูปขึ้นมากก็ต้องมีเ่องไม่รูปขึ้นมากก็ต้องมีน้ำอันนี้ก็นแน้วจิตเรียนยันไปน้ำวนมีจิตก็มีเรียนยั น, นเพราะว่าจิตของคนเรามันโมตยัยท่าก็พอท่าว ขัมพุทธการสาวกของพระพุทธเจ้าามปัญหากันพยายามกพระสารีบุตรพยายามกเป็นผู้ถามพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลยที่ผู้แก่ถามว่า ภาคีนาศบตายแล้วเป็นลายมันสันภาะต า, าลิบุตก็บอกว่าโลูกเวสนาสัญญาสังขารดับภาคีนาบไม่ตายเอาเงี้ยงมาเปรียบเทียบมันถามเขาอีกตาลิบุตก็เลยว่าเราโยเียเลียนห่อของเราเกิด ไฟใหม่บนรถ้าพังมาลงใส่เ่าเราอยู่จีอยู่ให้ไฟคลอกตายหลือบอกต้องออกจากร้านอันนี้ก็สันไหนวาทนะ่านคุนจวนใจใครจะตายพันไปที่ล้มหายใจพับออกจากราน เดินละวน้นอุตส่าห์ทำหน้าทำทุกทำไอ้บันไฟไหม้อะเพราะยังไนเลยสามขึ้นที่ขึ้นงายพระเขาง่านสุกงายพระเขา่าได้แล้วไปแล้วก็ต้อไปมันออกใกจกันจากทรากศพมันไอ้เพิก้าวไว้ถึงสันดี อันนี่แ่ะขั้นตอนไปห น, นึกถึงเพี่ยนฟูงยี่ใสเพี่ยนที่รักที่แรงกันไม่ไก้กันเลยขั้นจิตไปนึกเกาะยุ่ก็ไปบุนแล้วมันเพิ่นยังว่าสัมภเทสีถีจะแหวงหาี่อยู่เสียใส ผมไม่ีสินมีทรัพย์สมบัตหรหลายแต่ว่าบราุรีไปวัดไปว่าก็้าของอยุหันทำไมเป็นเจพ้พุ่มภูมะเทวดาลุกาเทวดาอาคาาเทวดาร้อยเรื่องนั่นแหละบุรีไปนั่นลกก็ได้แต่ว่าไยทั้งอื่นบรุรี ติดพื้นพุ่มเหมือนนะเป็นเจ้าพุ่มเราเอาเป็นเจ้าพุ่มเลยที่ขึ้นสวรรค์อันนี้ก็อยู่กับัวเราเองตัดตัดสินใจมันอยู่กับการการเหตุการทําของเราอันนี้ก็ ให้นางพิจารณาบุงมโนแม่ในเอาเตปุโตคนคิดเพ่อนุคิดไตคิดมากมันกเกิดปัญญาขึ้นมันรู้รู้รู้เองสคัญอยู่เลยตัวตวบางบางคน แม่ ส, สลบสลหลงาบงาบไปจับขย่อยพื้นบอยขย่อให้ตั้งตอผุโท้ขนนอขันบูนันตั้งตอไปขยอยขย่อยย่องย่องแอบฟื่นฟืนขึ้นมานั่นหละลงทงลัทปป่งแล้วเริ่มแล้วเริมผุโท้อก็เลยไปโบตรงเป่าเท่นั้น มันเป็ น, นงต่าการดับวั น, นีการดับการตายตายแม่ทุกมือทุกวันนี้เริยมตายเริยมดับโมเมนต์ใาที่เดียวเรื่อยตายไมเ่เลยเรื่อยตายมาจพ่อสอหกสิบมา สอดสอนมันมีพันเลยตายพานมาแล้วอันนี้เลี้ยงตายตายจัเป็นเด็กแบบอรอดทองแม่ออกมาบมื่ท่านตายพุทธกฐาถิมทีทนึง ไอ้ตัวมากก็ตายมาเรื่อยๆมเนยลเล่เมจจะไหวอ่ะหาไหวหรือจะไหวคนนอกไหวพุ่มไหวโพไหวเพี้ยนไหวภาคไหวภาคไหวภาคมันก็ตายไหวภาคมัน คืออายุหกสิบเจ็ดสิบพักไปรับจ้างทำทำงานที่ไหนจะไปสมัครงานไหนเขาก็บอกพอว่าแกแล้วไว้พักวไว้เพดมีสามสิบสี่สิบยี่สิบปุนว้พผมนีสิบสามปีสิบีปี นุมเป็นคอกนุ่มก็ น, น้องอยู่นัดพบกันนานนะพบครั้นี้สำไมนี่มีโทรศัพท์ขี่รถต่หากันเล่องกันนะไหะไวพึ่งนี่คือแบเบา อ, อ, อยู่ไม่หาไว้ พลวัยภาคไว้ภาคไว้ภาคคือจากกันไปดับตายเรียกว่าดับเรียกตายตายมาตายมาค่อมดับธาตุทีข่ขณะ อันใดดับก่อนอันใดดับที่หลังล่งหายใจดับก่อนเป็นโซมุ่งยังไไฟถัดไไฟจังดับเคยได้เก็บศพบึงตะเคือบศพคนตาย มงปุจังเย็นจังแข็งจังว่ามันลวมดับก่อนไฟไฟดับทีหลังได้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจับงอกได้หรอกขั้นสองสามทีพอม่วมงเลนจับเดินในแข็งเลยสบของคุนนอะน มาได้ขึ้นไปงานจบแล้วร้องบุญด้วจับเดรยไว้ดีทีจากสีส้มมุ่งมาเหนี่ยมากจับลุกขึ้นยืนแข้งแดงอยังีงยืนได้ยืนไปมืดแล้วนะยืนมืดแล้วก็แข็ง กูกินร่มนันดาดาป้อนก่อนไฟไฟดับทีหลัง เ, ง, เลงเป็นยังไงรูปเปตนาสัญญาสังขารดับขั้นดับเราไปใส่หลั่งมุ น, นยูหันละจมดินยูกบดินยูหันขั้นบ่มีผู้ใดเอาไป ฟังไปจูดไปจี้ทาตทีไปทั้งไหนธาตน้ก็ซื่อซึ่ ง, งดินธาตดนนนนินก็กบอยู่นั้นเนื้อหนังเองก็ดูกบิดดินลงมามานี่ยทางล้ม ไปตามเออธาต์าไฟเออไปตามกระแสของคนาอนของภาพจิตแตกมันเนี่ยวันเลื่อนมาธาดับธาดขนาแตกขนาก็ยน่นแตกเคยย่น หาสองแขนสองหัวหนึ่งเปน็นนาแล้วสิอ่า น, นี้ออกจะจะเยาะเอากระต้องพึ่งอ่านมึงมองมึงคุนขัวมึงผัดของเราวันไหนวันหนึ่งนาะมันจะแตกว่านี่นะอัานในหคข่มตายโมไม่ไปไัยที่ไปหลอด มนี่เรียงกรรมฐานครับเรียงอิตุภาก็อยู่กับตัวของเราด้วยอีกอ ก, กรรมฐานเป็นการพิให้พิจรารณาร่างกายพิจรารณาเบื้องต้ ดำดำขาวหน้าสารมันข้อนไอ้นม่ก็อยู่กับตัวเราเราก็ไม่ปีเจนหน้ามึงมันก็เลยเกิดเป็นอันนี้อย่างทุกขัอกอนาาขึ้นมาไปทั้งไหนก็มันก็ติดไปน้ำกรรมาฐานกับทุกข์ปีจนหน้าไปหรือหน้ามาดำแล้วขาว คือคือเส้นผมเราเนี่ยออกมาที่แหลกดำหกสิบเจ็ดสิบไปแล้ยแซมมังง่าขึ้นมานเลยเป็นเลยว่ามันมุทียังเนี่เปียงว่ามันมุทียงมันเป็นอเนจังเป็นอนาตตา เงาเราสั่มันสายตาเราแต่อายุสิบปียี่สิบปีมองไกลๆเห็นทัดเจ็นเจ็ดสิบแปดสิบปีเราเอาเรามัน่ต่อกระจกเลยนต่อหินเลยยังมั่วมัวมืดมากเลยมองบุษัทได้ไปรอก อันนี้ก็ลอกตามแล้วก็ที่เหลี่ยมนี้น่ะเป็นคนบกคบขาดอาการทันทีสองเมือนไหมไม่สามสิบเอ็อันนี้เราก็ต้องพิจารณาเมืองนั่นเป็นมากากนันนะมันบื่เทียง นั่นติดเองนี่อย่งทุกข์งอนัตตาเรีนาอนัตตาสัญญาอนัตตาจังหัลลันต์าานต้องกระทั่มวัดเศร้าทุกเศร้าจุกแล้งแล้วก็ต้องพิจารณามาืองคำมาตฐาน ว่านี่อสุปา้ายอยู่กับตัวเราอสุภากรรมาฐานอันนี้ก็ได้ยินอยู่บ่อยๆหรอกที่หนเนาะอสุภากรรมาฐานเคยได้ยินอยู่เรื่อยมั้ย นั่นละงูจะกรรมฐานเหรองูจะเอัทุพภะทุพภาของปฏิคุณโสกโปกโสกครอะไะนั่นลมึงมึงเห็นไหมเห็นครบโสกปกโสโคของคุณเหรอ น้ำลายยุ้ยนี่บางดีบ่บริสุทธิเกาอันนั้นล่ะขันว่ามันดีก็แบบ่เมื่อออกบ้วนน้ำลายใส่นี้เช่าออกกันจกประมาณ10นาทีหรือหานาทีจะเอาขึ้นไปไว้ได้บ่เป็นอย่าง ยันในปากยามผสมประสานกันกันบเขาขารับอาหารคือว่าดีเสียหรืออันนี้ เ, เราก็ต้องพิจารณาบ้างนะของเพ่งพินิจเบืองอัมันเป็นของปฏิคุณมันเป็นยางไัโซะสุขภพโสโ ค, โคเล็บเมื่อเรายหย่ ด้วยเส้นผมเราเนี่ยมันตัดหรือลวงหลนในภาชนะอาหารชับข้าวเขาอ บ, บ่กกล้ากินขึ้นเขาไปได้เพราก็เปียดไม่ใจหรือว่ะท่นเพิ่นสอนอุปสรรคเอาก็เลยมาเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งมาแล้วเออไม่ใจหรืของทุกข์ปก อันนี้ก็ประธานโทษเขาเอาไปเอ า, เอาเอาเสียงจำเสียงเพื่อนเลยมาเอาไปสร้างนี่ขีดขีว่าท่านคุณน้องน่จะขี่อะไรมึงออคําลขีดขีดหนึ่งมันเป็นของโจกโปกบอก ไล no ่ไปพวกรถไล่เต็นเตงโอบผมมุนละมาน่ะขี้หัวตีชี้หัวชีหูชีตาชี้ฟันชี้ไขชี้ล้ชีมือชีท้าบนไหนนบ่ไม่ขีวัน เ พ, พื่อนแฟนพิจารณาเพื่นกันแล้วเอ้ยนอง น, นังทับของหมดของพูดนอนทับของหมดของพูดทับจบของจบจบุกจบกจบุกจบโ ค, โ ค, ค, ค้งนันก็แมนคุ้มเบินหนึ่นนงนะก่อนที่นอนกระแป่งฟั่นแป่งยังดีนอนตื่นขึ้นแล้วนัร้ายสิ่งหงายมาทั้ง เล่นสีปากเทปนั่งก็ถือกินเป็นสีโตโต้ตุ่งตุ่งใช่ไหมมันเป็นอย่างมะตูมมะตุ่งเฮียออกมาสีเม็นๆหม็นตุ่ยเฮียเอาผ้าพออย่างพออาหารกินลงไป มันย่อยไปทุกคูมคุนเอาออกมากมันก็เลยไม่กินโอ้ยเมนีอาวะ่ะเอดีไม่ดีอยให้เตาไม่ฉีดเซลล์แรกๆถุก๋ยนี้เตะกอนว่าเดี๋ยวนี้มไม่เถอนั่นละ่ะมันก็เลยซึมองมาก กินอาหารลงไปมือเซอ้อหนี้มีจักอย่างโมเลนามโ อ, โอ ม, มีนอีพอยแนลแล้ามันไปอยู่ใสกิ่นลงไปมือเซ้ออาหารใหม่อาหารเกาอยู่ใส่มะอาหาร เขาอยู่รับใส่อาหารไหม่อยู่ในกระเพาะในพุ่งกินลงไปมันไป ค, คุ้ยกัน น, นะอาหารบางสิ้งบางทิ้นบางอันมันก็เกิดเป็นแก่ไปมนไปเป็นลมนูนน้อด้ท้องนับท้องแมนท้องมันเอียม มักจ็เอียมบวมหลยนอย่างเอมเอมนันกระโลยลงขึ้นมาบกนี่อันนี้เป็นว่าร่มพัดขึ้นเนบนียงบดอันนี้ร่มพัดรุ่งเบียงบางล่างมันน่มันผานอาหารเก็ า, าออกไปเป็นจีมิจียงมอมิสียงกระสัง มันเป็นคนผู้ดีแต่งัามกันได้กับมันต้องมีกินมันมันคอยชิ่ว อ, ออกไปมันก็มีกินพองั้นผ่านอาหารก็ออกไปอันนี้ว่าล้มลุมเบียงหังล้มในต่องล้มในสจล้มพัดตายตามตัวล้มหายใจเขาออก อันนี้ก็เราก็พิจารณามมันเป็นยังไงบ้่ะผูรเลยเคยเปิดหัวแก๊สหงงต้มมันคอยชิว อ, ออกมามันก็ถืกกินแก๊อันนี้คอยผิดออกทั้งรมมนมันก็ทงกินเอาไปมากก็เลยเพิ่นก็เลสอนโมผิดแล้วนะนนทัดของมูดของคูด คงต้องพบเมนกบกั น, กนยันะมันนี่ยอันนี้นเรากบังขันมาบังมันบมเห็นด้วยนั่งพิจ ห, หน้าบังโมเมนทับไปแล้วที รับไปแล้วก็ทิมทิมโมเมนต์นี่ต้องให้ออกว่ายังบ่ได้กิดไหนได้คำละขอหนึ่งกันยังดีครู่าอาจารย์มาเทศมณนน์ในวิทยุก็ออกกต่างร้างเอาไปดิติโมเมนต์สร้างถิ่มต้องสร้างเอา ขันสั้งแล้วเอาแถลงว่าในยิ่นในสร้งขันในยิ่นโบฟั้างคือโบเอาคือสินานได้สินาแต่หางบ่มไม่สินเป็นยังยังว่ า, างเงอีกต่